ทามันไม่อิ่มเนี่ยมันไม่เงยหัวนะมุสลิมจะทําแบบนั้นได้ไหมไม่ได้จะเรียนแบบสัตว์ได้ไหมไม่ได้แต่ให้เรียนแบบใครเรียนแบบนบีวันนี้ยมีคนเรียกร้องให้เรียนแบบสัตว์เวลาจะมีเซกไปเห็นนึกแบบสัตว์เลยสัตว์ทํางานทํางานทํางานทํางานต้องการจะดึงให้มุสลิมมาเรียนแบบสัตว์ มุสลิมเนี่ยเรียนแบบสัตว์ไม่ได้มุสลิมต้องเรียนแบบนบีมุฮัมมัดเพราะละกอตะกานัละกุมฟีรอซูลินล้วทอุสวาตุนฮัสนาะอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลเลยเนี่ยแล้วเป็นโมเดลที่ไหนที่ดีที่สุดอุสวาฮัสนาะเพราะฉะนั้นจะดื่มน้ําได้ผลและบุญดื่มไม่ให้เกินสามอึกครั้งที่สองเนี่ยกี่อึกก็ได้ สามสี่ห้าแต่ห้ามหายใจในขณะดื่มน้าพอดื่มน้ําอิม่มกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลละการดื่มน้ําของท่านเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาจา่าละยืนดื่มน้ําำจยได้ไหมถ้าไม่จําเป็นเนี่ยอย่าอย่าไปอย่าไปยืนไรก็ที่ทําตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับยืนจริงๆเลยนะก็ <c oughs> ตรงนี้กอกหน้ามัสยิดนี่ทําไว้สาหรับยืนนะท่านเพื่อจะไม่ให้ยืนก็มี มีที่นั่งอ่าถาวอล์ตแล้วก็มีมีแก้วผมว่าแกว้วน่าจะแก้วกระดาษเรกินแล้วก็ทิ้งเลยนะไอ้แกว้วนี้บางทีก็วัลรอมาแล้วนะถ้ามีแก้วกระดาษมันพอดีนะทําอยู่ดินแล้วเอ้ า, อาต้องการจะบอกว่าเอ้ายอสยบีฮามาอูฮะเราลองฟะแลนจะสตัติย์ะเลหูทุเลบะ หรือว่าน้ําเวลามันแห้งมันเหือดลงไปท่านจะไม่สามารถหามันได้เลยต้องการจะบอกว่าชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งวัตถุที่อยู่รอบๆตัวเรานี่นะอยู่กับเราไม่นานหรอกอยู่บนดุลยานี้เท่านั้นเองทีนี้ก็มีอีกอีกอายาหนึ่งอธิบายต่อบอกว่าคนที่มีอะไรนะั้นมีอํานาจกับคนที่มีเงิน วันนี้ที่นั่ง น, นั่งอยู่นี้เรามีอํานาจด้วยกันทุกคนนั่นแหละหัวหน้าเรานั่งคุมอำนาจคุมคุมค้มเด็กมีนี่ใช่ไหมคนที่มีอํานาจและคนที่มีเงินทํายังไงจะให้อํานาจกับเงินของเขาที่มีอยู่เนี่ยช่วยเขาได้ในวันทีม่มาแค่นั้นใครที่มีเงินแล้วก็มีอํานาจต้องการจะให้เงินและอํานาจที่เคยมีอยู่บนโลกดุนยาช่วยเขาได้ในโลกอาคีรา์มีอยู่ทางเดียว เอาเงินของเขาวันนี้ลงมาดูแลงานศาสนามาดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ให้หมดอัลลอ์สัง่งมีเงินทำอะไรจ่าย zakat าาสองมีเงินจ่าย solidqa มีเงินทำา a ด d i y มีเงินทำว a กั f ดูแลคนยากคนจนใช่ไหมเนี่ยแตหากคนที่มีเงินเราเอาเงินของเขามาดูแล ในฮะดิษของอิมามมุสลิมอธิบายดีนะเขาบอกว่าคนที่มีเงินและมีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆเนี่ยใช่ไปเก็บเกี่ยวมาเนี่ยนะอย่างเก็บมีสวนนะอินทาลัมมีสวนลูกเงาะสวนน้นสวนนี้พอถึงปีเก็บมาเนี่ยมันได้เงินเยอะเนี่ยให้แบ่งเงินนี่ออกเป็นสามส่วนยัยงได้มาสามล้านใช่ไหมหนึ่งล้านเพื่ออะไรนะ เพื่อครอบครัวตัวเองเอามาดูแลลูกภรรยาใช่ไหมล้านที่สองเนี่ยเอามาลงทุนขยายธุรกิจต่อไปอีกล้านที่สามเนี่ยฟรีสบีลิลล่ะต้องจ่ายบรรณาคุณทางของอัลลอ์สุบฮานณฮูวะตะลาคนที่มีเงินอย่างนี้นี่นะอัลลอฮฺอักบะดในวันเตียมะนี่เขาสง่างามเลยแต่ถ้าหาว่าไม่เอาเงินของเขามาดูแลงานศาสนาด้วยนะ ดู่นรวยเฉพาะครอบครัวตัวเองแล้วก็เก็บไว้ลงทุนอย่างเดียวแล้วก็งานศาสนาเนี่ยไม่เคยดูแลนรพอไปถึงวันเกียรมาคนที่มีเงินว่าไงนะมาอาณานิมลิยเงินของฉันนั้นช่วยเหลือฉันไม่ได้เลยเลยเนี่ยพอมาเจอวันเกียรมาฟื้นขึ้นมานี่เงินของฉันตอนมีอยู่บนดุลยาเป็นสิบสิบล้านลอยล้านนี่ตลงฉันไม่มีอะไรเลยเลยเนี่ย เห็นไหมพอใช้เงินไม่เป็นประามคาสั่งของอัลลอ์สุบฮ า, น, น, ววะาะนะูวาตาข้วกจายนะมาอากรนาอันนี้มาลียพอไปวันกี่มาเ ก, ก็ไปพูดอย่างนี้แหละมาอกนาอันนี้มาเลียไปบนเงี้อยลาอเงินของฉันนี่ช่วยเหลือฉันไม่ได้เลยหรือต่อมาอีกฮลกา น, นีสุลปอนีฮลาการ์ น, น, นีสุลตานสุลตานจะว่าอำนาจนะ ท่านคนที่เป็นรัฐมนตรีเอาอำนาจสั่งงานลงมามาดูแลสังคมมุสลิมให้คนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำความดีแบบง่ายๆเห็นไหมเงินเดือนครูสอนศาสนาวันนี้มีกันที่ไหนล่ะสังคมสมาคมต้องช่วยมูลนิธิต้องช่วยใช่ไหมนะองค์กรต้องช่วยถ้า คนที่เป็นรัฐมนตรีสรั่งเยเอาเงินของรัฐบาลเนี่ยมีตังเยอะเอาไปฟังกันทำไม่ะเอามาดูแลตะครูหม่างอะไรแางใช่ไหมงานมันก็เดินเนี่ยฉะนั้นคนที่มีอํานาจแล้วไม่เอาอํานาจมาดูแลคนมายับยั้งความชั่วเนี่ยใช่ไหมไม่มีประโยชน์พอไปในวันเกียมคนที่เคยมีอํานาจจะเสียใจจะบ่นว่ากี้ฮาลาการ์อันนีสุลตานียะ อำนาจของฉันเนี่ยฮาร์ลากาไปกว่าพินาศหมดแล้วเคยมีอำนาจจังเยอะแอ้วไปไหนหมดแหะก็ใช่อำนาจไม่เป็นฉะนั้นคนที่มีอำนาจวันนี้กับคนที่มีเงินวันนี้ต้องนึกถึงงานาศาสนาของอัลลอ์ให้เยอะเปิดหัวใจดินเปิดทำไมให้เบียร์ขายคล่องขึ้นอ้าวดูดูมันทํเสิเปิดบาร์ในขับริมโรงเรียนจะเหลืออะไระลูกหลาน คนที่มีอำนาะจห้ามบาร์ห้ามเบียร์ใช่ไม้มห้ามบาร์ห้ามเบียร์ห้ามบาปใช่ไหมบริเวณนี้ต้องไม่มีบาร์นครับกลองถางมนักเรียนดูสิผมเคยถามกเรียนในสมัยสิบปีที่แล้วจกเรียนมาสมัครก็สัมภาษณ์รอบๆนี้มีกี่มัสยิดไม่ทราบครับ มีบากี่แห่งห้าแห่งครับ <c oughs> ทินันทินันทินั น, น, นเอ๊ะขอถามว่ามัสยิดมีกี่แห่งมันไม่ตอบไม่ได้อะถามว่ามีบาร์กับนายขับกี่แห่งห้าแห่งครับตุนั้นตนุนัตนตุนันรู้มัสยิดไม่เคยเข้าเลยนี่เด็กมุสลิม เ, เห็นได้อย่างเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ตอนนี้ดีหมดแล้วถามเรื่องสเราตอบเลยแต่เพิ่งบาไม่ทราบครับอพอเราอบรมกันดีนะทําตัวดีเลย เอาต่อมาครับตุนลงว่ามีเงินเอาเงินมาทาอะไรนะมาดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์สุตล拉ต่อมาอายาที่42บَอُ ح ِ ي ط َ بِثَمَرِهِ ف َ أ َศบ ب َ ح ย يُقَلِّبُ ك َ ف ِ ي อ ه ِ عَلَى م َ ว่า هي خاوية على عروشها و ي า و ل يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا ا ل ั ه เล่านะครับเป็นการให้เราสำนึกตัวนะเวลาเอาล่อให้ริสกีใครเนี่ยนะเอาล่อให้เยอะเลยอ้าวมาดูคนนี้ ว่าให้ต่อบิสมาริฮีและผลไม้ของมันถูกล้อมรอบนี่อย่าลืมนะเวลาอัลลอฮ์ให้นะถ้าไม่ใจอ า, ากาศเวลามีเงินต้อง น, นึกถึงกี่อย่างนะสอย่างใช่ไหมหนึ่งอะไรอากาศสองสอดกสามฮ اديyah สีวากา แล้วก็เอาเงินเนี่ยลงมาดูแลนะครับของดีๆให้มันเจริญหมู่ตามหมู่บ้านแล้วก็พยายามหักห้ามอย่าให้ของชั่วๆเนี่ยมันเจริญงอกงามในหมู่บ้านของเราต้องพยายามคิดตลอดเวลาคนที่มีเงินกับมีอะไรนะมีอำนาจทีนี้เวลาเอา ล, ล้อจะให้พอให้เยอะแล้วนะเอา ล, ล้อก็จะทดสอบ เวลาให้แล้วส่วนใหญ่เวลาให้แล้วคนส่วนใหญ่จะลืมอัลลอฮ์เหมือนกับชาวมักกะชาวมักกะเนี่ยคล้ายๆกับคนชาวสวนนั่นแหละเป็นอย่างนี้วันนั้นอ่ะอารับซาอุดิอาระเบียนะ่ะเป็นเมืองที่เลวที่สุดแย่ yeah, ที่สุดคนมักกะนี่นะจะไปทํางานที่อื่นเน่ยไม่มีคนเขารับนะ่ะมาจากไหนมักกะแมวแมวเพราะมารยาทเลว อัคลาคเลวเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะ ก, กันเป็นร้อยปีไม่จบแล้วต่อมาอัลลอเมตตาส่งนบีมุฮัมมัดมาพวกเขารับปะส่งนบีมาให้คำสอนผ่านนาบีมุฮัมมัดชาวมักกะรับไหมไม่รับโอ้โหเล่นงานนบีว่านาบีนบีทูดากี่เรื่องสามเรื่องหนึ่งมัจญูนเป็นคนบ้า สองเป็นคนอะไรนะเป็นหมอผีกาฮินแล้วก็ซาฮิตนักสยศาสตร์นบีถูกถูกถู ก, ถ ก, ถกตำหนิจากประชาชนนบีทำอะไรนบีเอาของดีๆหฮูดาจากอัลลอฮ์มาสอนมาอธิบายมาแก้ไขมาป ร, ปรับปรุงคนในสังคมกว่านั้นแต่ชาวมักกะรับไหมไม่รับพอชาวมักกะไม่รับอัลลอฮ์ก็ลงโทษน่ะให้แห้งแล้งน่ะ ในนครมั ก, การานในแห้งแรงอ่ะอัลลอ์ก็เล่าในกาพีคุรานให้พวกเราวันนี้นึกนึกว่าพี่น้องเราในนครมั ก, กาเมื่อพันสรอปีที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสังคมที่เลวที่สุดอัลลอฮ์เมตตาส่งนบีมุฮัมมัดเอาอิสลามมาแก้ไขมาสอนเขาเขาไม่รับนบีให้นบีอพยพจากมั ก, การาไปอยู่ที่นครมดินาต่ออีก เอาลอให้แห้งแรงอ่ะหลายปีจากที่นครมักมกะเหมือนกับคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมีสวนมีไร่มีนามีนูน้นมีนี่พอถึงปีเก็บเกี่ยวทีจึงได้ผลระบุจะอะไรนะได้ได้ผลเก็บได้เงินได้ทองเยอะนี่นะแต่ไม่จ่ายสกาดไม่จ่ายส่วนตกก็ไม่ได้นะไม่จ่ายฮัดียะไม่จ่ายวาก้อาอัลลอฮ์จะเล่นงานเจ้าของสวนคน แบบที่อัลลอฮฺเล่นงานชาวมาัคกะส่งมะม่วงมวา ม, มาไม่รับมะม่วงนี่ยทีนี้อัลลอฮฺเล่นงานชาวชาวสวนยังไงวัวโอ้ให้ปอบีซามารีและผลไม้ของเขาถูกล้อมรอบถูกล้อมด้วยด้วยความพินาศาถูกล้อมด้วยความพินาศฟาอับะฮายุกลีบูกะ ไปแล้วเขาเริ่มบิดมือของเขาทั้งสองด้วยความเสียใจ อ, อย่างเงี้ยโอ้กูหมดแล้วใช่ไหมนี่ทำเหมือนพวกเราทำนั่นแหละโอ้กูแย่แล้วหมดแล้วอาลัก็เหมือนกันทั่วโลกเหมือนกันทำอย่างเงี้กูแย่แล้วกูหมดแล้วเริ่มบิดมือนี่เอาล้อเล่าเลยนะเริ่มอะไรนะ เริ่มบิดมือของเขาทั้งสองฟาอัสบหฮายุกอนลีบูกับไฟเมื่อสวนของเขาที่เคยให้ผลไม้เยอะๆขายทยีงได้หลายๆล้านแต่ไม่เคยนึกถึงคนยากคนจนไม่ได้นึกถึงเด็กกำพร้าไม่ได้นึกถึงมัสยิดไม่ได้นึกถึงอากาศไม่ได้นึกถึงสอดโกก็ไม่ได้นึกถึงฮาดิยาไม่ได้นึกถึงวากฟอลัลลอฮ์ก็เล่นงานพอเล่นงานปั๊บ นั่งบิดมือตัวเองด้วยความเสียใจและก่อเก่าวว่าไงอะไรมาฟอกฟรฮะที่เขาได้ลงทุนออาฟอกแปลว่าจ่ายหื่นลงทุนที่เขาลงทุนในสวนมันก็ไปเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหลงทุนเอาน้ําเข้าสวนหมดไปเท่าไหร่แล้วก็เอาปุ๋ยใส่หมดไปเท่าไหร่เอานุ่นใส่หมดไปเท่าไหร่ เสียหายหมดเลยมานั่งอูฉันแย่แล้วหมดแล้วทำไมสอนเรื่องนี้ให้เราฟังเพื่อจะเตือนเราว่าวันนี้เวลาเรามีลูกเราดูแลลูกเราดีเปล่าที่สวนดูแลอย่างดีเลยใช่ไม่ใช่สวนนี่ม่ให้มแมลงนะฉีดฉีดอะไรนะฉีดยาไล่ล่ฆ่าฆ่ า, ามแมลงเหมือนกัน ถ้าหากว่าดูสวนอย่างดีแล้วไม่จ่ายอากาศไม่จ่ายสสโซเดรก็ไม่จ่ายนุ้นไม่จ่ายนี่เอา ล, ล่ะเล่นงานทีหลังเวลาท่านมีลูกมีครอบครัวแล้วไม่ดูแลครอบครัวให้ดีระวังเอาตูกติดยาเสพติดแสดงว่าพ่อใช้การไม่ได้เลยนะใช่หรือไม่ใช่วิธีที่จะปราบยาเสพติดในครอบครัวได้มีอยู่อย่างเดียวฝึกให้ลูกนมาศเท่า น, นั้นเอง ถ้าในบ้านนมาฎหมดนี่และพูดเรื่องศาสนาบ่อยๆนะลูกจะตียเสียติดไหมไม่ตีวันนี้เราทิ้งอ่ะอ่าอครูเราต้องทำรับผิดชอบมันก็ได้บางส่วนใช่ไหมถ้าอยู่หอพักไม่หนีออกไปไหนไปัมดูแ ล, ลก็ดีแค่นั้นเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีมาต้องนึกว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราดูแลอะไรไมีลูกเหมือนกันดูแลให้ดีเอาใจใส่ให้ดี ให้ลูกนำมาดเป็นอ่านกุณอ่านสิกรุลล้อปุกนำมาดสารพัดต้องดูแลให้ดีเหมือนมีเงินเหมือนกันไม่ดูแลงานศาสนาของ Allah Allah จัดการเอาต่อมาครับวาฮ i ย a k าว w ย a t u n ala alu s h i ที่เขาด้วยลงทุนและสวนนั้นก็พังลงมาบนร้านของมันอล a a l ู s h i h หมายถึง พังขอวิญาตแปลว่าพังอาญาองรู้ช่ไฮบนร้านของมันวายกูลย์ไดตานีแล้วเขากล่าวว่าย่าไดตานีโอ้เสียใจจริงๆเลยนะถ้าฉันล้ำอุชริกบิรบีอาหะเดถ้าฉันไม่ตั้งพาคีู้ใดต่อพระผู้อภิบาลของฉันก็จะดี ตัวลงว่าเมื่อได้รับความลำบากท่านจะนึกถึงอัลลอ์ก็ยังดีนะเป็นข้อเตือนใจนะสำหรับครอบครัวนี้สำหรับหมู่บ้านนี้สำหรับประเทศนี้จังหวัดนี้เพราะฉะนั้นความลำบากทั้งหมดที่มาประสบกันนี่นะผ ล, ผลสุดท้ายก็ยอมรับว่าโอ้ฉันเนี่ยทรยศต่ออัลลอ์ต่อคำสั่งของอัลลอ์สุพารณูวะตาแหลก เอาต่อมาอายะที่สี่สิบไรนะสี่สบสามวัลลัมตะกุลละหูฟิอาตุยยันซุรูน a h มินด d นิล l l a h ว่ามักนะมุนตะซิรอและเขาไม่มีวัลลัมตะกุลละหูแปลว่าเขาไม่มีนะฟิอาแปลว่าพรรคพวกหรือกลุ่ม เขาไม่มีพักพวกยังซูรูนาหูที่จะช่วยเหลือเขาต้องการจะอธิบายว่าเจ้าของสวนเนี่ยที่เอาล็อให้ริสกีคุณมาแล้วเนี่ยเนื่องจากคุณดูไม่ดูแลคนจนได้ได้ได้เงินมาไม่ดูแลเด็กกำพ้าไม่จ่ายสการ์ไม่จ่ายโซลกงไม่จ่ายไฮดี้ยามไม่ทำวากับพอสวนพินาศจะใครช่วยได้นี่เตือนสติเราให้รู้ว่า เวลาเอาลอกทาลายแล้วหาคนช่วยเหลือไม่ได้รัฐบาลช่วยได้ไั้มไม่ได้สอสอสอขอช่วยได้ไหยช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลยใจม้มานะวะลัมตะกุลลาหูฟีอาตุนและเขาไม่มีพรรคพวกที่จะช่วยเขามินดูนิลาอ่นจากอันนววลลอฮุ س ب ح ا ن าและ ت ع ا ل วามกาะมุนตอสิรอและเขาจะช่วยเหลือตนเองก็ไม่ได้มุนตอริรอลแปลว่าช่วยตนเองก็ไม่ได้ให้คนอื่นมาช่วยก็ไม่ได้อยายะนี้อัลลอฮ์เล่าทาไมต้องการจะเล่าให้เราเข้าใจว่าคนที่ไม่เอาอัลลอ์เนี่ยเวลาอัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช เ, เ, ไไดเช่นใครฟาโร ดูตัวอย่างฟาโรเลยครับนี่นะฟาโรเนี่ยนะแล้วก็กอรูนเนี่ยสองคนเนี่ยตะกับบโอหังเย่อยิงจองของกับ AH อัลลอ์อย่างยำยงมากเลยนะแล้วสิ่งแรกเป็นไงรูกไหมดูกุรานอธิบายเรื่องกอรูนเรื่องกอรูนว่าฟาคอซาฟนาบีฮีเราได้ให้แผ่นดินนีนะัสูบว่าคอซาฟนาบีฮี วาบีดาฮีอัลอฮฺเราได้ให้เ อ, อิร์ดแผ่นดินนี่นสูบกอรูนและก็บ้านของเขาเอา้าตอนสูบเนี่ยฟมากานะละหูมินฟิอาตินยังซูรุนะหูที่เขามีเพื่อนมีพวกไว้เต็มไปหมดนะ่ะช่วยได้ไั้มช่วยไม่ได้เลยนี่อลัลลอฮเตือนเตือน ขนาดกอรูนนะ่ะมหาอำนาจยิ่งใหญ่นะ่ะเป็นลูน้องฟาโร่เนี่นะพวกเต็มไปหมดเลยนะ่ะแต่เวลาอัลลอฮฺจะลงโทษให้เห็นเป็นตัวอย่างสำหรับพวกเราวันนี้อัลลอฮฺสูบกอรูนแล้วก็สูบบ้านด้วยนะแล้วก็ทรัพย์สินที่กอรูนสะสมไว้เนี่ยกอรูนเนี่ยเคยอ่านคมภีรเตอร์ อ, อย่างเสียงอย่างไยเราะเลยนะเอาศาสนาตอ น, ตนจนๆนะ่ะแต่ที่พอรวยแล้วนะ่ะลืมให้ ไม่มีเวลานมาไม่มีเวลาซิ่คืออรอมูซา่ามาเป็นห่วงญาติกันเอ้ยกอรูนมานี้เอ้ยญ่าหญ่าหญ่เห็นไะมนี่คนเนี่ยแปลกเลยตอนจนดีเข้าสูเราพนะอรวยหน่อยไม่เข้าแล้ว <c oughs> แค่รวยจะไปเข้าสูเราแล้วอัลลอฮฺอัยฮัสเอาต่อมาครับอากอรูนมินดูนิลลาบ้านของเขาถูกสูบตัวเขาเองถูกสูบ แล้วก็พรรคพวกของเขาช่วยเหลือเขาไม่ได้และตัวเขาเองก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ้ยานี้อธิบายให้ฟังพันยาไปหลงอยไปติดยึดกับวัตถุต่างๆเยอะๆเชือเสียงเจตติยตตามเนีงอยไปติดยอะมีดีไหมดีเอามาดูแลงานาศาสนาจะนะครับเอาต่อมาครับตัวอย่างก็คือกอรุณ น, นะครับ มีหามานอีกแล้วก็มีฟิรูนอีกเอาแค่กรุนคนเดียวก็พอแล้วนะต่อมาอายาที่44ฮุนาลิกัล้วลายตุลิลลาฮิลฮับฮัอะไครรุนสะวะบัมวะอะไยรุนอะกุบาหุนาลิกะแปลว่าในในกรณีเช่นนี้ วรารยาเนี่นะแปลว่าการช่วยเหลือถ้าวิลายาเนี่ยแปลว่าการปกครองเช่นวิลายะจังหวัดอ่าวิลายะปัตตานีวิลายะชนบุรีเขาเรียกวิล า, ายะถ้าวารายะนี่แปลว่าการช่วยเหลือคุ้มครองของอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى ในกรณีเช่นนี้ การคุ้มครองช่วยเหลือลินและฮีเป็นของอ al ัลลอฮฺอัลฮักตีผู้ทรงสักด์จะต้องการจะอธิบายว่าโลกใบนี้อัลลอฮ์เป็นเจ้าของและอัลลอฮ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียวนี่เตือนสติแล้วตลอดเวลาอย่าให้ลืมอัลลอฮ์ต้องคิดถึงแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์องเดียวตลอดเวลานะครับ คูนารีการลุลาลยการคุ้มครองช่วยเหลือเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์องไหนอัลฮักกีอัลลอ์ผู้ทรงสัจจะ์อสิฟัต์ของอัลลอ์เนี่ยมีหนึ่งอัลฮักกีผู้ทรงสัจจะเคยอธิบายแล้วนะสิฟัต์อัลลอ์มีเยอะเช่นรอฟิยอุดดะราจ้าอัลลอฮ์ผู้ทรงเทิดคนดีให้อยู่สูงหลายชั้น รอฟีอาตลอดยายคนที่ดีๆทั้งหมดเนี่ยเอารอยยกหมดเลยนะแต่ตัวเองไม่รู้เท่านั้นแหละตัวเองไม่รู้เอารอแค่ขับรถผ่านคนที่นั่งกินเหล้าเนี่ยเราผ่านแบบสง่างามเลยใช่ไหมเอกินกินไม่เอาไม่เอาหรือว่าภรรยาเราเนี่ยเดินผ่านผู้หญิงกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งดินทากันนะเขาเดินผ่านแบบฉันไม่ใส่ใจอ่ะนี่ไง อลัลลอฮ์ให้เกียรติผู้หญิงคนนี้อีกสี่ห้าคนนั่งนินทากันน่ะนินทาบันนั้นบันนั้นบันนั้นบันนั้นแต่ภรรยาเราเนี่ยเดินผ่านแล้วเดินผ่านเฉยๆแสดงว่าอาลัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติภรรยาเราขนาดนาั้นเพราะว่าสนใจศาสนาเอาเวลามาฟังศาสนาเขาก็หลีกเลี่ยงจากความชั่วได้แบบสง่างานผลบุญตอบแทนมีไหมไม่ทําความชั่วนะเท่าไรเก้าร้อย พาสมบุญเยอะจะตายไหมอาทีนี้อัลลอฮ์เนี่ยอัลฮักกูอัลลอ์ผู้ทรงอะไรนะผู้ทรงศัจจอะอ่ารูละอัตีนะอีย่าอื่นอธิบายว่าอัลลอ์เป็นผู้ทรงเจ้าแห่งบลงาลังฟาตาลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงยิ่งอัลมาลิกุลฮักอัลลอ์ทรงเป็นเจ้าปกครองโดยแท้ ผู้ทรงศัจะอัลล์ิฟาอัลล์มีเยอะในงานุอ่นนานนะครับจะอธิบายเพียงเล็กน้อยก็ขวายรุนสวบะอัลลอฮ์ทรงเป็นเลศในการให้รางวัลคอยรุนสวะบะอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ที่ดีที่สุดในการมอบรางวัลขวายรุนอลกบาและเป็นเลศในการตอบแทน บ้านปลายบ้านปลายหมายถึงวันเตี่ยมตกลงว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้รางวัลกับคนที่ทําความดีบนสองโลกทั้งดุลยากับอาคีรออัลลอฮ์ให้ให้ให้รางวัลอา้าวอย่างคนที่อยู่าศาสนาขออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องดูแลนะอัลลอฮ์ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพ น, นันไม่ทําซีนาใช่ไหมแล้วก็ไม่โกหก สารพัดอลัลลอ์คุ้มครองดูแลถ้าเราอยู่ในศาสนาแล้วก็อาคิรออีกละ่ะถ้าหากเราอยู่ในศาสนานี้อลัลลอฮ์จะดูแลในโลกอาคิรออีกอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลแต่เพียงผู้เดียวนะอัลลอฮ์อลลา์เอาต่อมาครับ <c oughs> อายาที่45 อ, อายาที่45ในยาวหน่อยนะ <c oughs> و َ ض َ ر ِ ب َ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إ ِ ن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ف َ خ ْ ت َ ل ََ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوُ ا ل ر ِّ ي َ ا ح وكان الله على كل شيء مقتدرا อรผู้อ่านอาย่านี้ดีมากนะอาย่านี้เตือนมุสลิมเตือนพี่น้นองมุสลิมให้ไรนะให้ใชายปัญญาเปรียบเทียบโลกดุนยากับโลกอาเคโรสไม่เหมือนกันต้องการให้เราชายปัญญา พยายามฝึกเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบนะอยายันีนต้องการจะอธิบายว่าโลกดุลยาใบนี้เป็นโลกที่ไม่ถาวรตัวเราก็มีวันหมดอายุโลกใบนี้มีวันหมดอายุบ้านเรามีวันหมดอายุรถที่เราใช้อยู่มีวันหมดอายุชื่อเสียงตําแหน่งที่มีอยู่อัลลอฮ์ให้สสกี่ปีสี่ปีสวหกปีเท่งนั้นเอง มีตำแหน่งมีไรมีเวลาหมดอายุอายุอายุอา ย, อายุอธิบายง่ายๆก็คือผู้เรื่องนาอย่เหมือนกันว่าตัวนี้หมมนพระมัด uh เอยจงยกอุทาหรณ์จงเปรียบเทียบอุทาหรหนึ่งให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใช้ปัญญาอธิบายยังไงอัลฮายาติ ด, ดุนยามาซาลุลฮายาติ ด, ดุนยาชีวิตของโลกใบนี้ ชีวิตของโลกใบนี้เราเคได้ยินแล้วใช่ไหมนะ่ะหลังที่หลังหลังจากที่อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้จบพอสร้างฟ้าแผ่นดินภูเขาแม่น้ํากลางวันกลางคืนสร้างคนสร้างสัตว์พอสร้างเสร็จอัลลอฮ์ตีราคาแต่เรามีทีนี่พอสร้างเสร็จหมื่นห้าสองหมื่นตีราคา อัลลอฮ์ประสร้างโลกใบนี้มาอัลลอฮ์ปรตีราคาให้นบีมุฮัมมัดมาบอกมุฮัมมัดไปบอกประชาชนฉันตีราคาโลกใบนี้เท่าไหร่หลังจะสร้างเสร็จแล้วภายในห ก, หกระยะเนะี่ยมาดูราคาที่อัลลอฮ์วางไว้สิเราก่นัติดดุลยา้าโลกดุลยาใบนี้มีค่าเท่ากับเปกยุงอัลลอฮ์เห็นยังอัลลอฮ์ตีราคามุสลิมต้องนึกอัลลอฮ์ จะทะเลาะกับเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องจะเอาปีกยุงก็ไม่ใช่ยิ่งกว่าปีกยุง่งไร้ค่ายิ่งกว่าปีกยุ่งใช่หรือไม่ใช่หใชเหลากานฑติดดุนยาถ้าหากโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเท่ากับเบาะวดาจานาเขาเบาวดาเท่ากับปีกยุง่งคนกาเฟตไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ําสักอึก อ, อธิบายอีกอายานี้การหยาติดุนยาโลกดุนยาใบนี้เหมือนอะไรกาอินเหมือนกับน้ําเหมือนน้ําน้ำอะไรนีคือน้ําฝนสิอนสัลนาฮุมินัสมาเราได้ประทานน้ําลงมาได้โปรยน้ําลงมาได้ส่งน้ําลงมาให้ฝนตกลงมาจากฟ้าฟ้าฟักตาลอบบิฮีนาบะตุลอารดี เมื่อน้ําส่งลงมาเสร็จแล้วก็น้ําก็มันก็เดีคุกเค้าวใช่ไหมกับพืชผลแห่งแผ่นดินเอามาถูกับต้นม้ต้นน้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นทําให้ต้นไม้งอกเงือเจริญใช่หรือไม่ใช่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดที่เราเล่านั่นโลกดูยานไปนี่เปรียบเสมือนน้ําที่ตกลงมาจากฟากฟ้า มาทำให้แผ่นเดินงอกงามต้นไม้งอกงามจะเริ่มเขียวขจีปไปนฟาอัลบาหาฮัซีมาแล้วต่อมาต้นไม้มันก็อะไรนะแห้งกรัง อ, อต้นพริกกี่ปีต้นมะนาวกี่ปีต้นมะกรูกีก่ปีไม่กีปก่ปีเรากี่ปีตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วใช่ไหม ข่าวขาวแล้วตาก็ ย, ย่นแล้วอ๋เอเหี่ยวหมดแล้วหมดยีส่สี่สิบปีที่แล้วยังหนุ่มป้อเลยนะเดี๋ยวนี้อลอลอยกขาทำไม่ไว้นี่ตัวเราเองแล้วัตถุที่อยู่รอบรอบเราก็เหมือนกันมันค่อยๆยร่อยร่อยร่อย ร, อ ย, รอยยุบยุๆนี่โลกดุนยาเห็นไหม อ, อออริบานะคุอเมตุนันต์ตาจะรู้หู อาริยาฮาตาซรูฮูริยาเวลาต้นไม้เนี่ยเวลามันแห้งเนี่ยเวลาลมมาเป็นไงปลิวเลย <c oughs> นี่อธิบายเรื่องต้นไม้ต้นหญ้าให้เราเข้าใจง่ายๆชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่ต่างกันเกับต้นหญ้าพอแก น, นอนเอาลมไปไหนไม่ไหวจะเข้าของน้ำจเอาที่ฉี่มาใส่ <c oughs> เดินไปขก็ของน้าไม่ไหวยังไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ พอแยกจริงๆกันลูกเอ้ยอกม บ, บอกฉี่ให้พ่อน้อยไปห้องน้ำไม่ไหวแล้วอืมวากานอัลลอฮฺอาลัยกุลิชัยอิมมุตัดีรอนะและอัลลอฮเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอนุภาพเหนือทุกสิ่งสอนอะไรเราเรื่องนี้สอนเป็นอย่างนี้ตองการจะบอกว่าอ ด, ดุญยาขอดิรุนขอดิรอตุนวะหุลวะโลกดุลยาไปเนี่ยมันเขียวชะอุม่มมันเขียวขจี แล้วมันหอมหวานใช่หรือไม่ใช่เบางวันอ่านขุดบ้านที่กาที่ศูนย์กลางเห็นเจ้าบา่าวเจ้าสาวแต่งตัวกันสวยมองแล้วมันหนุม่มเราก็เคยหนุ่มมาสมัยนี้แหละแต่วันนี้เราแก่แล้วบางวันไปอ่านคุณบ้านกันเลืกลอกตลอดวัาเราน่ะเป็นต้อยกเด็กก็เป็นหนุ่มกําลังกำลังนั่งกำลังแต่งงานนะสดชื่นนะอั้มดูลีลาเนี่ยคนถ้าไม่นึกถึง ความตายจะเหลืออะไรนึกเยอะ ๆ, ๆแต่นี้คนพุทธนะ่ะเขาสอนอีนอย่างคนพูทว่าถ้าในวันในการเนี่ยห้ามพูดเรื่องความตายไม่ได้เลยนะโหเรื่องใหญ่เลยแต่อิสลามทำตรงกันข้ามคิดพูดเรื่องความตายถ้วนเวลาตะมูตุนอิลลาวันตุมมุสลิมุนอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าทานต่างหลายจะได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮอจารนี้อัลลอสั่งว่าไงนะ บอกกับมูฮัมหมัดโลกดุนยาไปนี้เขียวเขจูเขียวขจีแล้วก็หอมหวานฟัตตกุดดุนยาระวังโลกนี้ให้ดีเนี่ยให้โลกเราติดอยู่ที่มือพออย่าให้ติดเข้าไปในหัวใจเอาอะไรหัวใจมาแทนน่ะเอาอีมานเข้าไปอยู่ในหัวใจเ ย, ย, ยอะๆเพราะอีมานเนี่ยรอมันพาติดถึงโลกอาคิเราอไอ้ดุนยาเนี่ยไม่ถึงโลกอาคิรอไม่ถึงถึงแค่กูโบมีหะดิษใช่ไหม เวลาคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตดุลยาไปส่งแค่ปากหลุมแล้วเดินกลับยัตยัตบาอุลไมฮิตะสลาสะตุนสิ่งสามรายการเนี่ยเดินตามคนตายทุกคนใครตายมีสิ่งสามรายการเดินตามคนตายไปอะลูฮูวามาลูฮูวาอามาลูฮูสามรายการที่เดินตามคนตายก็คือหนึ่งอะไรนะ ครอบครัวของเขาญาติมิตรของเขากับทรัพย์สมบัติของเขากับอามันของเขาเดินตามคนตายไปพอฝังจบเสร็จสอ ง, ส อ, งอย่างกับญาติพี่น้องภรรยาลูกกลับแล้วก็อะไรนะทรัพย์สมบัติกลับอะไรเหลืออามัน อ, อ๋อหมอนนะ่ยมอนเนะี่ยยังถอดออกใช่ไม่ใช่ เอเอาดินใส่ไปฮึที่นั่งๆอยู่นี้นะต้องนอนบนดินนะหมอนนะใช้ดินนะถ้าไปยือนอยู่ตรงกูโบเราก็นึกอลัลลเราอยู่ทำอะไรกันดุนยานี่อลัลลสอนให้เห็นจังเยอะนะหมอนที่บางจากบ้านเนี่ยนะมันก็ดึงออกท่านไม่เหมาะที่จะใช้อันนี้เอาเอาดินใส่ไปพอดีก็ลงเลย อัลลอฮฺอักบาร์ี่ฝรุ้งตายก็เหมือนกันใช้ดินผมตายก็ใช้ดินและสะสมเงินทองไว้ทําอะไรเยอะะสะสมเงินได้ไม่ได้ฉะนั้นก็บริจาคเลยต้องบริจาคดูแลดูแลงาศาสนาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์ไอมันเจริญเพราะอามันน่ะพาติดตัวเราในโลกอาคียะรออัลลอฮฺอักบารเอา โลกดุนยานี่มีมีอะไรบ้างมีอยู่ห้ารายการนะว่าละมูอันมัลไชยตุนดุนยาโลกดุนยาเป น, นี้มีอยู่ห้ารายการหนึ่งลายบุญลายแปลว่าอะไรนะการลเล่นสังเกตนะลูกเราเนะี่ยไม่เล่นอนะ่ะมันเพียแย yeah. ลายบุญลาเล่นหรือว่ามนุษย์เนี่ยแบ่งเวลาออกเป็นห้าช่วงด้วยกัน ช่วงละแปดปีแปดปีแปดมีตับซีอะไรนะตับซีกูตตูบีอธิบายดีนะชีวิตของคนน่ยแบ่งออกเป็นห้าช่วงช่วงละแปดปีแปดห้าสี่สิบดั้นคนที่อายุสนะี่สิบน่ยไม่กลับตัวนะเลวนะไม่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะเลวสุดๆแล้วนะพะให้มาแล้วห้าช่วงช่วงละแปดปีแปดปีแปดปีอา้าอะไรบ้งครับ อ ด, ดุญยาลายบุญหนึ่งละเล่นเด็กหนึ่งขวบถึงแปดขวบกระโดดใช่นี้ไม่ใช่ถ้าไม่กระโดดเอามือประจาหัวเป็นไข่อือไปสังเกตสังเกตนะต่อมาครับละหุนบันเทิงแปดีถึงเท่าไรสิบหกระวังระวังระวังเนี่ยดูแลเด็กระวังแปดถึงสิบหกเนี่ย ม, มันมันมันเพลินมันเพลิน ถ้ามันเล่นเกมก็ติดเกมเลยถ้ามันเล่นไพ้มันก็ติดไพ้มันเล่นอะไรมันเพลินตรงนั้นต้องระวังให้ดีเอาต่อมาช่วงไหนช่วงที่สซม Z นะเครื่องประดับแต่งตัวละหลอกมาไปกันหลอกกันมาผมพังที่มันหายไปครึ่งนึงหรือว่าเขียวหรือแดงนะอายุเท่าไหร่1 0บเก้าสิบิเกทั้งนั้นแหล Z, นะ่นะ ต่อมาครับวัตฟ้าครุมใบหน้กลุมและความโอ้อวดในระหว่างสูงเจ้าพอมันจบเป็นญาตรีแล้วก็เริ่มทํางานมีรถแล้วมีมือถือก็อวดกันไปอวดกันมาแข่งกันไปแข่งกันมานี่ชีวิตดุนยาครับและต่อมาข้อสุดท้ายวัตกาสุรุมฟิลอามวานิวัลอาวเลตแลแ้ว ก, ก, ก็แข่งกันสะสมทรัพสมบัติและลูกลูแข่งกัน บ้านเองใหญ่บ้านฉันเล็กบ้านเองใหญ่ทั้งหมดแล้วนี้เป็นปัจจัยดุญยาถามว่าแสวงหาได้ไหมได้แต่ต้องมีขอบเขตครับทนเวลาเราไปเยี่ยมบ้านใครแล้วเขาเชิญไปกินอาหารเขาขึ้นบ้านใหม่ๆแนะนำบ้านให้รู้จักเคยแนะนำแล้วในมหดิษ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อเข้าไปในสวนที่มีผลไม้เยอะๆให้ว่าอย่างไง มาชาอัลลอฮฺวะลาอฺวะดะอิลลับิลลาเพราะว่าคำนี้ปักเนี่นะอิจฉาทิสัาที่อยู่ในใจฮะหมดเลยหายหมดางทีเรารับเราเป็นอิหมามเราเป็นผู้นำชุมชนเข้าไปตามสุราที่สุรามใหญ่กว่าของเรานะมันนึกมบริหารยังไงสุรามสวยจะ ด, ดูเลย อิจฉามีอคติมีมันไสมีใช่ไหมก็คนเนี่ยถ้าไม่ถูกซักฟอกจริงๆแล้วก็เยอะแต่ซักฟอกมันขนาดซักฟอกนะยังห้าเซว่าไงนะมาช า, าอัลลอฮ์ลากูวาตาอิลลาบิลลาฮไปเจอลูกเขาว่าลูกเราลูกเราอ๋อแล้วก็แบบเขาท่าเลยลูกคขับออเข า, าเลี้ยงลูกดีมาช า, าอัลลอฮ์ลากูวาตาอิลลาบิลลา ไปเจอเมียเขก็แต่งตัวดีใส่นมน้ําหอมเมียเราอย่ามองอย่ามองอย่ามองบนโลก อ, อักบัตนั่งข้างๆกันเนี่ยคนคนแ ก, แก่ก็ทำทุกแกก็แต่งตัวเธอเอลออักบัตเอาใจสามีผู้สามมานั่งเรียนหนังสือตั้มซีดเอาไปเล่าให้เมียฟังเมียก็แต่งตัวตอนรับสามีนะกลับไปถึงบ้านชื่นใจหน่อยอันนั้นชีวิตดุลยามีอยู่มีอยู่อะไรนะมีอยู่ห้า นี่อีกอยายะอื่นอีกครบบุชชหะวะตัวมีนในนิสาความใครในในอยากมีลูกอยากมีภรรยาอยากมีลูกอยากสะสมเงินทองเป็นกองแล้วก็มีม้าพันธ์ดีมีปัสุสัตว์มีไร่นานี่ดุนยาทั้งหมดน่ะมีได้ไหมได้แต่อย่าหลงทีนี้ระหว่างดุนยากับอาเคโรนี่นะเอาว่าอัลลอฮ์สอนอยังไง ร, รู้ไหม อินนามาอัมวาลุกุมว่าเอาลาดุกุมฟิดนะระวังนาโลกดุนยาที่คุณสะสมเงินทองชื่อเสียงจิีติยศร่นาสวนมาพันดีใช่ไหมเท่านี้เป็นฟิดนะเป็นการทดสอบหัวใจว่เอาละดุกุมและลูกลๆหมายถึงพักพวกเป็นการทดสอบหัวใจวัลลอฮฺ อ, นอินอดะหูอาจุลนาลีแต่น้อัลลอฮฺนั้นมีผลละบุญอันยิ่งใหญ่ต้องการจะเตือนว่า มีดุนยาเนี่ยอย่าอย่าลืมอัลลอฮ์อย่าลืม Allah อัลลอฮ์ให้เขาให้มุ่งหน้าเข้าหาอัลลอฮ์มุ่งหน้าเข้าโลกหาโลกอาคีรอกมากกว่าโลกดุนยาทีนี้มุ่งหน้าเข้าหาโลกอาคีรอกเยอะๆนะทํำยังไงอุลมามะเขาสรุปดีนะถ้าต้องการจะให้ปลอดภัยจากการลงโทษในในกูโบ ชื่อเสียงเกล็ดเกียรติยศช่วยไม่ได้เลยนะแพะแกะวัวควายช่วยไม่ได้เลยนะหนาร้อยร้อยไร่อยู่หน้าสีคอ น, นก็ช่วยไม่ได้นะจะช่วยคนไมใ่ให้ปลอดให้ปลอดภัยจากการลงโทษในกูโบมีอยู่สีร่รายการออลล์สรุปดีมากเลยนะหนึ่งให้นามาธให้อย่าให้ขาดนี่แหละช่วยได้ในกูโบ สองวัตถุกาตวัดสดกโกให้จาา่ายวัสดกโกทำบุญบริจาคหดียาเยอะๆถ้ามีนะบริจาคไปบริจาคช่วยนั ก, กูโบได้แพะช่วยไม่ได้ถ้ามีแพะทำกุลบานช่วยได้เข่าใจไหมนะถ้าเลี้ยงเอาไว้อย่างเดียวเอาไว้ขายเอาเงินอย่างเดียวระวังระวแล้วก็ข้อที่สให้อ่านกุรานเยอะๆนี่ไงแล้วทบทวนกุรานกันนเลยละอาทิตย์ละชั่วโม ง, ง เหนื่อยมเดี๋ยวเหนื่อยตรงไห น, นแต่มันมาด้วยใจทําด้วยใจเราม่าหนึ่งนะมาให้ครบนะสองาาสระศาสตรมอ่านอุรีานสกัสตุตตัสสีสุสสบฮานอัลลอฮฺยอะอัลฮัมดุลิลลาห์สุบฮานอัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาห์อ่าอกุรุนกุินไล่ใช้ตอนไล่จินไล่ผีที่อยู่ในบ้านด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เวลากลางคืนนอนนอนนอ น, น, อนไม่หลับทาไง นอนไม่หลับทำไมบอาอา่าน um um, um, uh อ่ะอัลลอฮุมมะกรนูจมอันตะฮยุนไควุมลตะซุเนตะุวะลานมวะดีไลลีวะอานิมอนีพมาคือพนนอนไม่หลับไปกินอะไรนะกินน้าชากินน้าชามันนอนไม่หลับอ่านบิอาสักิบเที่ยวน้อ ฉะนั้นถ้านอนเวลาให้คิดถึงก็รอให้อ่านดูอาให้อ่านน้ำนามาณามาณาาต่หายุดไม่กี่เราอาจอจะหลับแล้วโดยใชพตอนช่วยด้วยเอา้าสรุปถ้ามีเงินมีทองนะจะพาเราไปสวรรค์ได้ไหมได้มีอํานาจพาเราไปสวรรค์ได้แต่ถ้าไม่เอาอํานาจและเงินนั้นมาดูแล ง, งานาศาสนาเรียบร้อยหรือรอลองนรกก็แล้วกัน แล้วก็วิธีปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกอาดาบในกุโบก็มีอยู่สี่ข้อหนึ่งรักษานามาสองจ่ายสกาดจ่ายสดรก็จ่ายฮหดียาจ่ายวะครัฟอันที่สามอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอแล้วก็ข้อสุดท้ายกัสวตุตัสเบียให้รำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอย่าใช้ลูกประคำใช้อะไรนะนี่สะพานอัลลอฮ์สะานเพราะจะไปพูดกับอัลลอ์ในวันเตียมักด้วย นะ سبحان ัลลอฮฺมะลิฮฺม์บิ س ت غ ف ر ك ا ت ب ل ا ئ ك وسلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ت